สูตรที่แสดงว่าบางคนฝึกสมาธิไม่สำเร็จไม่อาจเห็นโอปปาติสตาหรือวางทีเห็นแต่ไม่อาจติดต่อได้เป็นเพราะอะไรเมื่อคราวที่พระนุรุษได้ทำความเพียรอยู่ที่ป่าปาจีนวังสทายวันพร้อมด้วยภิกษุอีกสองรูปคือพระนันทิยะกับพระกิมพิระสมัย น, นั้น พระอนุรุตยังไม่ได้สาเร็จพิพยาจักสุตกำลังพยายามปฏิบัติอยู่ถ้าผู้มีพระพากเจ้าได้สเสด็จไปหาและพระอนุรุษได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าท่านทั้งสามองค์ไม่ประมาทพยายามปฏิบัติอย่างดีประคองจิตให้อยู่ในกรรมฐานเสมอซึ่งเดียวนี้ท่านกาหนดเห็นแสงสว่างได้แล้ว ได้เห็นรูปทั้งหลายได้ด้วยแต่แสงสว่างนั้นอยู่ได้ไม่นานปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะแล้วก็อันตรธานหายไปเมื่อแสงสว่างหายไปการเห็นรูปก็หายไปด้วยท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดแสงสว่างจึงปรากฏอยู่ได้ไม่นานและเพราะเหตุใดเมื่อแสงสว่างหายไปการเห็นรูปก็หายไปด้วย พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุทั้งสามรูปนั้นว่าเธอทั้งหลายควรจะทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้รันแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสเล่าเรื่องการปฏิบัติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งสามฟังดังต่อไปนี้อนุรุตแม้เราเองเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ เราก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้และเห็นรูปทั้งหลายได้แต่แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นอยู่ได้ไม่นานก้อนตราทานหายไปเราจึงได้เกิดความคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้แสงสว่างนั้นอันตราทานหายไปครั้นแล้วเราก็คิดได้ว่าเพราะวิจิกิจฉาความสงสัยเกิด สมาธิของเราจรึงได้เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายเมื่อรู้อย่างนี้เราจรึงได้พยายามกระทําโดยวิธีที่จะไม่ให้วิ่ีกิจาเกิด อ, อนุรุธวางทีทั้งที่เราไม่ประมาทมีความเพียรพยายามปฏิบัติอยู่แสงสว่างก็กำหนดเห็นได้ รูปทั้งหลายก็เห็นได้แต่ครั้นแล้วแสงสว่างก็เกิดมาหายไปการเห็นรูปก็หายไปเราจึงได้เกิดความคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้แสงสว่างหายการเห็นรูปหายครั้นแล้วเราก็คิดได้ว่าคราวนี้เป็นเพราะไม่มีมนาสิการ คือไม่ได้ใส่ใจกำหนดสมาธิให้ดีอมนาศิกาโรสมาธิของเราจึงได้เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายเมื่อรู้อย่างนี้เราจึงได้พยายามกระทําให้มนสิการมีอยู่เสมออนุรุตบางทีทั้งที่เราไม่ประมาทมีความเพียรพยายามปฏิบัติอยู่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 เป็นเพราะมีความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นช้ำพิตัดต่างสมาธิของเราจึงได้เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายอนุรุธเปรียบเหมือนคนเดินทางไกลถ้ามีคนที่จะฆ่าเขาปรากฏตัวออกมาทั้งสองข้างทางเขาจะพึงสะดุ้งกลัวฉันใดอนุรุธบางครั้ง ความสะดุ้งกลัวในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นกัเราเพราะมีความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นนี่แหละสมาธิของเราจึงได้เพื่อนเมื่อสมาธิเพื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายเมื่อรู้เช่นนี้เราจึงได้พยายามกระทาโดยวิธีที่จะไม่ให้ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นอะนุรุตบางที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 เราก็คิดได้ว่าคราวนี้เป็นเพราะมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นอุปทหลังสมาธิของเราจึงได้เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายอนุรุธเปรียบเหมือนคนเที่อสแสวงหาขุมทรัพย์ขุมหนึ่งแต่ไปพบในคราวเดียวถึงห้าขุมทรัพย์ เขาก็จะพึงเกิดความตื่นเต้นฉันใดอนุรุษบางครั้งความตื่นเต้นในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราพอมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นนี่แหละสมาธิของเราจึงได้เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายเมื่อรู้เช่นนี้ เราจึงได้พยายามกระทำโดยวิธีที่จะไม่ให้ความตื่นเต้นเกิดขึ้นอนุรุษบางทีทั้งที่เราไม่ประมาทมีความเพียรพยายามปฏิบัติอยู่แสงสว่างก็กำหนดเห็นได้รูปทั้งหลายก็เห็นได้แต่ครั้นแล้วแสงสว่างก็เกิดมาหายไปการเห็นรูปก็หายไป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 อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างหายการเห็นรูปหายครั้นแล้วเราก็คิดได้ว่าคราวนี้เป็นเพราะมีความเพียรจัดเกินไปอัจจารัตทะวิริย์สมาธิของเราจึงได้เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างก็หายไปการเห็นรูปก็หายไปอันุรุษ เปรียบเหมือนคนจับนกกระจากด้วยมือทั้งสองบีบไว้แน่นนกกระจากนั้นก็จะพึงตายในมือนั่นเองฉันใดอนุรุตบางครั้งเรามีความเพียรจัดเกินไปเหมือนกับคนจับนกกระจากไว้แน่นฉันนั้นก็มีความเพียรจัดเช่นนี้แหละสมาธิของเราจึงได้เคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายเมื่อรู้เช่นนี้เราจึงได้พยายามกระทําโดยวิธีที่จะไม่ให้ความเพียรจัดเกินไปเกิดขึ้นอะนุรุตบางทีทั้งที่เราไม่ประมาทมีความเพียรพยายามปฏิบัติอยู่แสงสว่างก็กําหนดเห็นได้รูปทั้งหลายก็เห็นได้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 เมื่อสมาที่เคลื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายอนุรุธเปรียบเหมือนคนจับนกกระจากไว้อย่างหลงหลวงนกกระจากนั้นก็จะพึงหลุดจากมือบินหนีไปฉันใดอนุรุธบางครั้งเรามีความเพียนย่อหย่อนเหมือนกับคนจับนกกระจากไว้อย่างหลงหลวงฉะนั้นเพราะมีความเพียนย่อหย่อนเช่นนี้แหละ สมาธิของเราจรึงได้เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างก็หายการเห็นรูปก็หายเมื่อรู้เช่นนี้เราจรึงได้พยายามกระทาโดยวิธีที่จะไม่ให้ความเพียรอันย่อหย่อนเกินไปนั้นเกิดขึ้นอนุรุธบางทีทั้งที่เราไม่ประมาทมีความเพียรพยายามปฏิบัติอยู่แสงสว่างก็กำหนดเห็นได้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 วิจิกิจฉาความสงสัยเป็นอุปเิเลตของจิตอัมน้าสิการความไม่ใส่ใจเป็นอุปกเกเรตของจิตถีนมำยิทาความท้อแท้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นอุปกเกเรตของจิตชั้มพิตัตะความสะดุ้งกลัวเป็นอุปกเกเรตของจิตอุพิละความตื่นเต้นเป็นอุปกเกเรตของจิต ทุดสุลละความไม่สมงบกายเป็นอุปจีเลสของจิตอัจจารัตวิริยะความเพียรจัดเกินไปเป็นอุปกิเลสของจิตอติเรณวิริยะความเพียรย่อหย่อนเกินไปเป็นอุปกิเลสของจิตอภิชัปปาตัตนากระซิบเป็นอุปกิเลตของจิตนานั ต, ตสัญญา ความกำหนดอารมณ์หลายอย่างต่างๆกันเป็นอุปกิเลส ข, ของจิตอตินิชายตัตตะรูปานางังความเพ่งรูปทั้งหลายมากเกินไปเป็นอุปกิเลส ข, ของจิตเ้ารู้แจ้งเช่นนี้เราจึงได้ละอุปกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดอนะรุธเรานั้นเมื่อไม่ประมาทพยายามปฏิบัติอยู่ บางครั้งเราก็กาหนดเห็นแต่แสงสว่างแต่ไม่เห็นรูปทั้งหลายบางครั้งก็เห็นแต่รูปทั้งหลายแต่ไม่เห็นแสงสว่างเราเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคืนบ้างตลอดทั้งวันบ้างตลอดทั้งคืนทั้งวันบ้างอนุรุตเราจึงได้เกิดความคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บางครั้งเห็นแต่แสงสว่าง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 แต่แสงสว่างไม่เห็นซึ่งเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งคืนทั้งวันบ้างครั้นแล้วเราก็คิดได้ว่าในสมัยใดไม่ได้ใส่ใจกําหนดดูรูปใส่ใจกําหนดดูแต่แสงสว่างในสมัยนั้นเราก็เห็นแต่แสงสว่างแต่ไม่เห็นรูปทั้งหลาย แต่ถ้าในสมัยใดไม่ได้ใส่ใจกำหนดดูแสงสว่างใส่ใจดูแต่รูปทั้งหลายในสมัย น, นั้นเราก็เห็นแต่รูปทั้งหลายแต่ไม่เห็นแสงสว่างความจริงแสงสว่างมีอยู่แต่เนื่องจากไม่สนใจจึงไม่รู้ว่าแสงสว่างมีหรือไม่มีเพราะโดยธรรมดาถ้าแสงสว่างไม่มี จะเห็นรูปทั้งหลายไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งคืนทั้งวันบ้างอะนุรุตเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรพยายามปฏิบัติอยู่บางครั้งก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้น้อยและเห็นรูปได้น้อยคือเห็นได้จานวนน้อยและเห็นได้ไม่ชัด แต่บางครั้งก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้มากมายเห็นรูปได้มากมายคือเห็นได้จำนวนมากได้เห็นได้ชัดมากเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งคืนทั้งวันบ้างอนุรุตเราได้เกิดความคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บางครั้งก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้น้อยเห็นรูปได้น้อยแต่บางครั้งก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้มากมายเห็นรูปได้มากมายเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งคืนทั้งวันบ้างครั้นแล้วเราก็คิดได้ว่าสมัยใดสมาธิของเราน้อยสมัยนั้นจากสุขของเราก็น้อย เมื่อมีจักสุน้อยเราก็กาหนดเห็นแสงสว่างได้น้อยและเห็นรูปได้น้อยแต่ถ้าสมัยใดสมาธิของเรามากสมัยนั้นจักษุของเราก็มากเมื่อจักษุมากเราก็กาหนดเห็นแสงสว่างได้มากและเห็นรูปได้มากเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคืนบ้างตลอดวันว่างตลอดทั้งคืนทั้งวันว่าง สำคัญที่จะเชียวเห็นว่าชีวิตโอปปัติกะเกิดขึ้นได้อย่างไรโอปปัติกะในชีวิตของมนุษย์มีหรือมากและทำอย่างไรจึงจะรู้แจ้งในเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตนเองหลักวิชาต่างๆเท่าที่ข้าพเจ้าได้อ้างมาแล้วเข้าใจว่าคงจะเพียงพอสำหรับที่จะทำให้นักศึกษาลงความเห็นว่า เรื่องโอปปติกะนั้นไม่ใช่เรื่องนิยายแต่หากเป็นเรื่องที่มีความจริงและเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้ได้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองถ้าหากได้ศึกษาหลักวิชาและฝึกสมาธิได้ขั้นสูงและเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนาซึ่งจะตัดออกไม่ได้และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อการละกิเลส มีความเกี่ยวข้องกับ ก, บการวางพื้นฐานศีลธรรมทั้งในทางส่วนตัวและสังคมขอได้โปรดอ่านพระสูตรต่างๆที่เขเจ้าได้อ้างมาด้วยความละเอียดพยายามทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งนิชนนท่านอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้และอาจจะจับประเด็นที่จะทำให้เข้าใจมาประิทประติอกันไม่ได้ ด้วยความเป็นห่วงถึงเรื่องนี้ฉะนั้นในบทสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจะลำดับความของประเด็นต่างๆเท่าที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นประเด็นที่หนึ่งชีวิตของโอปาปฏิกะคล้ายกับชีวิตในความฝันโปรดสังเกตว่าในเวลานอนหลับและฝันนานชีวิตที่ปรากฏในความฝัน โดยมากมันจะมีรูปร่างเหมือนกับในเวลาที่เรานอนแต่เรื่องนี้ไม่แน่นักเพราะรูปร่างอาจจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ได้สุดแลแต่ความนึกคิดในขณะนั้นจะสร้างขึ้นมาและในความฝันมีการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสทางกายมีความนึกคิดมีความรู้สึก คล้ายๆกับขณะที่ตื่นอยู่ถ้าไม่ฝันซ้อนฝันตลอดเวลาที่ฝันอยู่จะรู้สึกว่าทุกอย่างในความฝันเป็นความจริงประเด็นสําคัญอยู่ว่าทุกอย่างในความฝันเกิดจากความนึกคิดประเด็นที่สองทุกอย่างในโลกของโอปปะปิกาเกิดจากใจโปรดนึกถึงหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจเป็นชนิดอัตราใดาซึ่งมีรูปร่างสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์การได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตราที่สำเร็จด้วยใจคำว่าอัตราที่สำเร็จด้วยใจก็คือกายทิศหรือรูปร่างของโพประปะติกาทั้งหลาย คำว่ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนหมายความว่าในความรู้สึกของโอปาปาติกาเขารู้สึกว่าเขามีมือมีเทา้ามีศีรษะและมีอวัยวะอื่นๆอีกหลายอย่างเหมือนกับในขณะที่เป็นมนุษย์ตัวเขาเองก็มองเห็นได้ผู้ที่เข้าสมาธิไปเห็นก็เห็นว่า เขามีทุกอย่างเหมือนกับในขณะที่เขาเป็นคนคําว่ามีอินทรีย์บริบูรณ์หมายความว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจทําหน้าที่ได้อย่างเดียวกับในขณะที่ยังเป็นมนุษย์เว้นไว้แต่บางอย่างมีอะไรพิเศษกว่าเช่นเห็นได้ไกลกว่าตามนุษย์เห็นสิ่งของในที่กำบางได้ ดังนี้เป็นต้นโปรดนึกอีกครั้งว่าอัตตาคือตัวตนของโอปปะปิกามีรูปร่างปรากฏมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์และทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ